ไมยุดจบจงเจริญสติสร้างความเด่นลึกรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกของตัวเราให้ต่อเนื่องกันจะพักระยะหนึ่งเสียก่อนจนจะตื่นขึ้นมาเราได้เจริญสติแล้วเราอยากเราได้สำรวจเราแล้วเราอยากเราได้รับรู้ของการหายใจเข้าหายใจออกของเราแล้วเราอยากจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่เราเคยวิเคราะห์เคยพิจารณาตัวเองหรือเปล่า ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พยายามฝึกผลตนเองให้เกิดความเป็จริงให้เกิดความชำนาญอย่าไปเอาตั้งแต่ปัญญาโลกโลกก็ไปตัดสินเราต้องน้อมกายน้อมใจก็ให้จิตของเรามีศรัทธาน้อมเข้ามาฝึกขัดเชื่อมั่นในคุณพระธรนรมตัเชื่อมั่นในพระพุทธปฏิปปส ก, กเราก็เจริญตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ การเจริญสติที่โตนึกการสังเกตการวิเคราะห์การเกิดการดับของจิตลักษณะของจิตที่สงบเป็นอย่างไรลักษณะของจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นอย่างไรอาการของจิตเวลาจิตเกิดเวลากระทบเวลาสัมผัสจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราเราต้องมีการเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาอะไรคือสติที่เราสร้างขึ้นมาความเบลึกรู้ตัว รู้ได้ต่อเนื่องกันหรือไม่รู้กายแล้วก็รู้จิตรู้ธัมผัสิของลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรู้กายแต่เรารู้อยู่ในภาพรวมเราไม่ได้รู้อยู่ในทุกุริยาบทของจิตของความคิดของอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนมามธรรมเรารู้อยู่เพียงแค่รูปธรรมการเกิดกันดับของจิตเวลาคิดส่งออกไปภายนอกเราถึงรู้เราไม่รู้ลักษณะตัวตนที่แท้จริงของเขากคือความว่างความว่าง จิตที่ว่างจากการเกิดว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสเราขาดการวิเคราะห์กันตรงนี้แล้วก็พยายามขยันมันเพียรในการสร้างตบะสร้างบา ร, รมีให้มีให้เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคนมีศรัทธาแล้วก็ต้องขยันมันเพียรขัดเกลากิเลสละความเจ้ีหนีนแน่นละความโลภละความโกรธ แล้วก็คลายความหลงถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เราก็จะคลายความหลงได้ความหลงคือหลงในขันธ์ห้าเราอาจจะไม่หลงในวัตถุสิ่ ง, งต่างๆแต่เร า, า จ, จะหลงในความคิดหลงในอารมณ์ซึ่งเรียก ว, ว่าไม่รอบรู้ในกองสังขารของตัวเราเองถ้าเรารอบรู้ในกองสังขารของตัวเราเองแล้วเราก็จะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเอาอะไรมากมายรู้จิตของตัวเอง ว่าจิตของเรามีความสะอาดควาบริสุทธิ์จิตไม่เป็นาธาตุของกิเลสจิตไม่เป็นาธาตุของอารมณ์ไม่จําเป็นต้องพูดมากหรกพูดมากเรียนรู้ภายนอกมากก็ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตมันก็ทุกข์ถ้าเราเข้าใจภายในแล้วจะเรียนมากมายถึงขนาดไหนก็ไม่ทุกข์เรียนดูเรียนรู้เรียนทําความเข้าใจเรียนปลอดเรียนวา ง, วางถ้าจะเอาก็เอาด้วยสติเอาด้วยปัญญามีด้วยสติมีด้วยปัญญาทุกคนมีตั้งแต่ความพยายามยาก แม้ตั้งแต่อยากจะรู้ทำอยากจะได้ทำท่านก็อยางให้ละให้เจริญสติเข้าไปดับเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ตามธรรมความเข้าใจถ้าจิตของเรารู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้ว<ร>าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาเขาว่าเป็นทุกข์เป็นธาตของกิเลสธาตุของอารมณ์เราอยู่กับสมมุติเราก็อยากให้สมมุติเขารอบงาจงใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ รู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อส่วนรวมอยู่ตลอดเวลาจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ดีมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในอารยบทใ ด, ดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้เรียนดูเรียนรู้เรียนกายเรียนใจของเราเนี่แหละกายวาจาใจของเราก็จะเป็นบนุญรู้จักเอาบุญรู้จักสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นกายของเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนโน้นคนนี้ บาดเจ็บของเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนโน้นคนนี้ไม่ได้พูดเผยเจอไม่ได้พูดโซเีย์ไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งไหนเป็นสาระเราถึงพูดสิ่งไหนเป็นประโยชน์เราถึงพูดสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดใจของเราก็พยายามดูแลรักษาเขาแล้วก็รู้จักทําความเข้าใจกับเขาเสียเขาก็ถ้าเขารู้ความจริงแล้วก็ไม่เอาหลอกทุกข์ ทุกคนก็ปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นถ้าเราดับทุกได้แก่ทุกได้เราไม่อยากจะได้สุขความสุขก็จะตามมาเองนั่นแหละก็จะเกิดมาเีกคนเราจะไปเอาตั้งแต่ผลแต่การเริ่มต้นไม่ค่อยจะเอากันเท่าไหร่ก็เริ่มต้นอยู่เริ่มต้นด้วยการทำบุญด้วยการให้ทานอันนั้นเป็นการเริ่มต้นอยู่ระดับหนึ่งแต่การเริ่มต้นในการจเจริญสติในการทั้งเกตในการวิเคราะห์ในการจำแนกแจกแจง ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือส่วนรูปปัทธรรมอะไรคือส่วนนามธรรมลักษณะของจิตลักษณะอาการของขันห้าลักษณะของนิวรณ์เขาเป็นอย่างไรหน้าตาของกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสอย่างกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเราขาดการวิเคราะห์ขาดการรู้การเห็นตั้งแต่แรกเรารู้อยู่เฉพาะในภาพรวมคิดก็รู้ทำก็รู้ก็ทาตามความคิดทําตามอารมณ์ก็หลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในอารมณ์นั้นแหละ ถ้ายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็จะวัดตัวเองไม่หลงต่ใดถ้าเรามาเจริญสติรู้จักสติได้ชัดเจนแยกรูปแยกนามได้ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราหลงทันทีก็ ต, ต้องพออยายามกันนะอย่าพาการปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพาการพลาดโอกาสพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยพยายามขยันหมั่นเพียรเราไม่เข้าใจเราก็เพิ่มความเพียรให้เป็นทวีค ยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่เรายิ่งเพิ่มความเปลี่ยนให้เป็นทวีคุณเราไม่เข้าใจวันนี้วันพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจตราบใดที่เรายังแสแวงหายอยู่เราแสเวงหาธรรมเราย่อมจะรู้ธรรมตามความเป็นจริงโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันสมมุติกับวิมุตติก็อยู่ด้วยกันแต่เราต้องจําแนแกแจกแจงเราถึงจะรู้ว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่หลายคนก็สนุกสนุกวิเคราะห์ตัวเราแก้ไขตัวเราว่าเราจะพลั้งเผือให้กิเลสตัวไหนบ้างถ้าเราพลั้งเผือให้กิเลสเราก็เกิดความน้อย อ, อกห้อใจเอาใหม่เริ่มใหม่กิเลสมันเล่นงานเราเราก็เริ่มใหม่เริ่มอยู่ยบ่อยๆพลังเผือแล้วก็เอาใหม่พลั้งเผือแล้วก็เอาใหม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะช น, นะ ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจเราทําความเข้าใจได้แล้วมันก็จะค่อยจืดจางไปค่อยห่างไปเราไม่เพิ่มอาหารให้กิเลสมันก็จะเห่อแท่งลงเห่อแท่งลงแล้วรู้จักสร้างกําลังจิตหนุนกําลังสติเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุครผลเอาไปใช้ก็สมมติอยู่ได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้รู้จักผนทางเดินเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดอะไรเป็นกุศลนหรือว่าอะไรเป็นอัคคุสุ นี่แหละคนที่มีบุญมีบุญกันทุกคนจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเพียรในการเจริญภาวนาความเพียรในการสร้างอา น, นิสงส์สร้างกระบะบารมีศรัทธาก็มีกันเต็มเตยมมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีสัจจิจัให้กับตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนอกจากสร้างอา น, นิสงส์สร้างบุญตลอดเวลาไม่จําเป็นว่าต้องมีเงินด้ยเยอะถึงจะได้ทําบุญไม่มีก็ทําได้ เอากายของเรานี่แหละมีความอ่อน น, น้อมถ่อมตนนั่นก็เป็นบุญแล้วพูดจาที่ไพเราะไม่เป็นพิษเป็นไฟพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็เป็นบุญแล้วสํารวมกายอินทรีย์ของเรานี้ก็เป็นบุญต่อไปหน้าก็สํารวมใจของเราก่อนที่จะคิดอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรล ะ, อ ะ, รรละอะไรควรเจริญทําอยู่ในใจอยู่บ่อยบ่อยอันนี้ก็เป็นบุญนั่นแหละเราก็ได้บุญอยู่คนเดียวเราก็อยู่กับบุญถ้ารู้จักบุญ ชูงขึ้นไปแล้วก็สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลแต่ไม่ยึดติดในกุศลนะัก็เลยอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบุญเนือบาปในยึดมั่นถือมั่นละอ ก, กุศลเจริญกุศลแต่ไม่ยึดติดในกุศลนะเราก็จะอยู่กับกุศลอยู่กับบุญตลอดเวลาไปที่ไหนก็มีตั้งแต่ความสุขสนุกสร้างบุญสร้างอานิสงส์ดังหลวงพ่อพาทับดุจตลอดสิ่งนี้นที่เป็นประโยชน์หลวงพ่อพาทับ เป็นสะพานเป็นทางผ่านให้ผ่าทำบุญอนุเคราะห์ให้ทุกที่เท่าที่จะทำได้อนุเคราะห์ทุกที่เท่าที่ตามกำลังของเรามี